จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ฝ่ายธรรมทุกๆท่ทาว น, นวันนยย ον, ีน้เป็นวันพระรหัสที่สิก้ากันยายนพุทธศักราช25งพหเป็นวันพระวันธรรมวนะันาวันฟังธรรมวันที่สาธุชนพุทธบริษัท จะได้มาสร้างทรัพย์ภายในที่เป็นทรัพย์ที่สำคัญกว่าทรัพย์ภายนอกเพราะทรัพย์ภายในเป็นเป็นทรัพย์ที่เราเอาติดตัวไปได้แต่ทรัพย์ภายนอกเราเอาติดตัวไปไม่ได้ทรัพย์ภายนอกอยู่กับร่างกายพอร่างกายตายไปทรัพย์ภายนอก ก็กลายเป็นทรัพย์ของผู้ไปแต่ทรัพย์ภายในนี้เป็นของเราเพราะอยู่ที่ใจใจของเราไม่ตายไปกับร่างกายใจของเราไปต่อไปดีไปรวยไปจนก็อยู่ที่ว่ามีทรัพย์ภายในหรือไม่ถ้าไม่มีทรัพย์ภายใน ก็จะไปแบบยากจนไปเป็นขอทานทางจิตใจยากถ้ามีทรัพย์ภายในก็จะไปแบบเศรษฐีไปอยากผู้ที่มีความมั่งมีมีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมบริบูรณ์ที่จะเอื้ออำนวยความสุขความสบายให้แก่จิตใจทรัพย์ภายในนี้ เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรุ้ทรงเห็นพวกเหานี้ยังไม่มีดวงตาในที่เรียกว่าดวงตาเห็นธรรมเรายังไม่สามารถเห็นทัพภายในได้เราจึงต้องอาศัยผู้ที่เห็นแล้วเช่นพระพุทธเจ้ามาอบรมมาสั่งสอนพวกเรา ถ้าเราปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเราก็จะได้รับสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์แก่ชีวิตจิตใจของเราและต่อไปเราก็จะได้เห็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นเพราะการดาเนินตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนี้จะ เบิกตาภายในของเราให้สว่างให้เห็นดวงจิตดวงใจของเราให้เห็นรั์ภายในของเรารั์ภายในนี้เกิดจากอะไรก็เกิดจากการทำทานเกิดจากการรักษาศีลเกิดจากการภาวนาคือนั่งสมาธิเจริญปัญญานีนี่คือ สิ่งที่จะทำให้เกิดซับภายในขึ้นมาซับภายในนี้ก็มีหลายระดับระดับฐานก็จะทำให้เรามีความมั่งคั่งสมบูรณ์ไม่ว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนเราก็จะมีความสมบูรณ์ในเรื่องของเครื่องใช้ไม่สอยเครื่องบริโภคต่างๆเช่นปัจจัยสี่ จะไม่โหยอยากขาดแคลจะอยู่ดีกินดีแต่จะอยู่กินดีกินดีในแบบไหนนี่ก็ขึ้นอยู่กับทรัพย์ภายในข้อที่สองก็คือศีลถ้าเรามีศีลรักษาศีลห้าไดา้เราก็จะมีสวรรค์ชั้นเทพเป็นที่อยู่ของเราและณและเวลาที่เรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ เราก็จะเป็นมนุษย์ที่มีความมั่งคั่งสมบูรณ์มีความร่ำรวยเยแต่ถ้าเราทำแต่ทานไม่ได้รักษาสีเราก็จะมีความมั่งคั่งแบบเดรัจฉานเพราะถ้าเราไม่รักษาสี่งเราก็จะไม่สามารถปิดกั้นการไปเกิดในอบายาเช่นไปเกิดเป็นเดรัจฉานเป็นต้นแต่เนื่องจากที่เรา ได้ทำทานมาทานนี้ก็จะทำให้เราได้เกิดเป็นเดรัจฉานที่มีรูปร่างหน้าตาสวยงามเช่นเป็นหมาน่ารักเป็นแมวหน้ารักเป็นนกเป็นปลาที่น่ารักคนเห็นก็ชอบจะเอาไปลี้ดูอย่างดีนี่ก็เป็นอนิสงส์ที่เกิดจากการทาทานแต่ไม่รักษาศีลจึงไม่ได้ ไปสวรรค์ไม่ได้ไปเป็นเทพแล้วก็ไม่ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์มั่งคั่งดังนั้นเราต้องทำทั้งทางทำทั้งศีลถ้าเราอยากจะได้พบชาติที่ดีเพราะศีลนี้จะปิดกัน้นการไปเกิดในอบายถ้ารักษาศีลห้าได้เราไม่ต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานไม่ต้องไปเป็นเปรต ไม่ต้องไปตกนรกตายไปเราก็จะได้ไปเป็นเทพพ อ, อกลับมาจากเทพเราก็กลับมาเป็นมนุษย์ที่มีความดีกว่าเดิมมีความสวยงามกว่าเดิมมีผิวพรรณผ่องใสกว่าเดิมมีรูปร่างหน้าตาที่สวยงามกว่าเดิมมีทรัพย์สมบัติเท่าของเงินทอง ร่ำรวยกว่าเดิมมีอายุยืนยาวนานกว่าเดิมมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงนี่คืออดิสสมที่เรียกว่าทรย์ภายในที่จะสนับสนุนคุ้มครองให้ชีวิตของเรานั้นมีแต่ความร่มเย็นผาสุขดังนั้นเราจึงหมัน่นควรหมั่นทําทานรักษาศีลกัน ทานก็มีสี่วิธีด้วยกันที่เราทำได้อย่างที่พวกเรามาทำกันเป็นประจำนี <ponto S 2> ้เรียกว่าวัตถุทานวัตถุทานก็คือการแบ่งปันสิ่งของต่างๆให้แก่ผู้อื่นเช่นวันนี้ญาติโยมก็นำกับข้าวกับปอาหารของข้าวของหวานเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆอย่างนี้เรียกว่าเป็นวัตถุทาน ถ้าเราไม่มีวัตถุไม่มีข้าวของเงินทองที่จะแบ่งปันแต่เรามีความรู้มีวิชาความรู้เราก็สามารถให้วิชาความรู้แก่ผู้อื่นได้ <c oughs> เช่นให้วิชาการทำกับข้าวกับปลาการเย็บเย็บปักถักรอยหรือวิชาต่างๆที่เราได้เรียนรู้มา สอนผู้อื่นโดยไม่คิดค่าตอบแทนอย่างนี้ก็จะเรียกว่าวิทยาทานแล้วถ้าเราได้ยินได้ฟังธรรมอยู่บ่อยๆแล้วเราเห็นคุณค่าของธรรมมากว่าเราสามารถนำเอามาดับความไม่สบายใจดับความทุกข์ใจได้ถ้าเราเห็นผู้อื่นดกทุกได้ยาก มีความทุกข์ใจไม่สบายใจเราก็สามารถแบ่งปันธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้าที่เราได้เรียนรู้มาให้แก่ผู้อื่นอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นธรรมทานธรรมทานนี้เป็นทานที่ยิ่งใหญ่กว่าวัตถุทานยิ่งใหญ่กว่าวิทยาทานเพราะวิทยาทานกับ วัตถุธาตุนี้ไม่สามารถดับความไม่สบายใจได้ทำได้ก็เพียงดับความขาดแคลนของร่างกายเช่นให้เข้าป่าอาหารถ้าให้วิทยาทานให้ความรู้เขาก็จะสามารถเอาความรู้นี้ไปทรมาหากินเลี้ยงชีพได้ก็จะดูแลรักษาร่างกายของเขาให้อยู่อย่างปกติสุขได้ แต่เวลามีความไม่สบายใจมีความทุกข์ใจวิทยาทานหรือวัตถุทานนี้จะไม่สามารถดับความทุกข์ใจความไม่สบายใจได้แต่ถ้ามีธรรมทานมีความรู้ธรรมธรรมะรู้เหตุรู้ผลของความทุกข์ว่าความทุกข์เกิดจากอะไรระดับความทุกข์นี้ได้อย่างไร พอเรารู้เวลาเราเกิดความทุกข์ใจไม่สบายใจเราก็สามารถเอาธรรมะของพระพุทธเจ้ามาดับความไม่สบายใจดับความทุกข์ใจของเราได้พระพุทธเจ้าจึงสงสัยว่าการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งป่วนเพราะธรรมะนี้เป็นสิ่งที่มีคุณประโยชน์แก่จิตใจ ที่มีความสำคัญต่อตัวเราเป็นอย่างมากความทุกข์ทางร่างกายนี้น้ำหนักไม่เท่ากับความทุกข์ทางใจเวลาร่างกายสบายแต่้าใจไม่สบายความสบายของร่างกายก็จะไม่สามารถมาดับความทุกข์ทางใจได้แต่ถ้าใจสบายร่างกายไม่สบายความสบายทางใจนี้ สามารถปลบความไม่สบายทางร่างกายได้ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เราธรรมาธ ร, รมทานกันถ้ามีโอกาสมีเหตุมีปัจจัยที่ควรจะทำก็ควรจะทำเช่นถ้าเรามีหนังสือธรรมะดีๆที่เราเห็นเป็นคุณเป็นประโยชน์เราก็สามารถ จับพิมพ์เอาไปเผยแพร่ให้แก่ผู้ที่ไม่รู้ถ้าเขาได้อ่านได้ฟังแล้วเขาจะได้เกิดปัญญาเขาก็จะได้รู้จากวิธีแก้ปัญหาของใจเวลาใจไม่สบายถ้าเขาได้ศึกษาธรรมเขาจะรู้จากวิธีแก้ซึ่งเป็นวิธีที่ไม่ยากเย็นเลยเพียงแต่ไม่รู้ เป็นเหมือนเส้นผมบางภูเขาเท่านั้นเองถ้าเราดึงเส้นผมออกจากตาเราเราก็จะเห็นภูเขาได้อย่างสบายเส้นผมก็ไม่ใช่เป็นของหนักหนาอะไรดึงออกได้อย่างง่ายดายฉันใดความมืดบอดของเรานี่ก็เป็นเหมือนเส้นผมบางภูเขาความเห็นผิดเป็นชบ่บความเห็นกงจากเป็นดอกบัว น, นี่เองที่ทาให้เรา สร้างความทุกข์ให้กับใจของเราพอเราได้ยินได้ฟังธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็จะมีความสว่างเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามความเป็นจริงเช่นเห็นว่าทุกอย่างไม่เที่ยงทุกอย่างเป็นทุกทุกอย่างไม่ใช่ของเราไม่อยู่ในการควบคุมบังคับของเราถ้าเราอยากให้ ทุกอย่างเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ใจของเราก็จะต้องทุกข์ทันทีแต่ถ้าเรารู้ว่าเราไปสั่งไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างเขามีเหตุมีปัจจัยเหมือนฝนฟ้าอากาศเราไม่สามารถไปสั่งฝนฟ้าอากาศให้เป็นไปาตามความต้องการของเราได้ฉันใดทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ก็เป็นเหมือนกับฝนฟ้าอากาศ พอเราเห็นอย่างนี้เราก็จะได้ไม่ประยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอเราไม่มีความอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ใจเราก็จะสบายไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนใครจะดีก็ดีไปใครจะชั่วก็ชั่วไปใครจะเกิดก็เกิดไปใครจะตายก็ตายไปเพราะเราไม่สามารถที่จะไปสั่งไปห้ามเขาได้ นี่คือธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนแล้วถ้าเรานำม า, มาเผยแผ่ให้แก่ผู้ก็จะเกิดประโยชน์แก่ผู้ที่ได้รับไปเป็นอย่างมากนี่คือเรื่องของการทำทานสร้างทรัพย์ภายในส่วนทรัพย์ภายในระดับที่สองก็คือศีลศีลนี้จะเป็น ผู้ที่คอยป้องกันไม่ให้เราต้องไปตกต่ำไม่ต้องไปเกิดในอบายอบายก็เป็นเหมือนคุกตารางของโลกนี้เองคนที่ทำผิดกฎหมายก็ต้องถูกเจ้าหน้าที่ทางบ้านเมืองจับไปลงโทษจับไปขังในคุกในตารางคนที่ทำบาปทำกรรมก็เหมือนกันก็ต้องไปติดคุกติดตารางในอบาย อาบายนี้ไม่ต้องมีใครมาตามจับเรากฎของกรรมนี้จะเป็นตัวที่จัดการกับผู้กระทำบาปถ้ากระทำบาปตายไปบาปนี้ก็จะเดิงให้ไปเกิดในอาบายดังนั้นเราจึงต้องรักษาสีหน้ากันให้ได้รักษาไว้ให้ดีถ้าเราไม่อยากจะไปเกิดเป็นเปร ไปเป็นเดรัจฉานไปตกนรกเราก็ต้องละเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปดโนเท็จเสพสุรายาเมาถ้าเรารักษาสีหน้าได้เราก็จะไม่ต้องไปใช้กรรมในอบ า, ายถ้าเราอยากจะไปสวรรค์ที่สูงกว่าชั้นเทพ การรักษาศีลห้านี้จะส่งให้เราไปเพียงสวรรค์ชั้นเทพ ร, รักษาศีลห้าแล้วก็ทำทานพร้อมกันไปตายไปเราก็จะได้เทวรั์ได้ไปเกิดเป็นเทพชั้นต่างๆแต่ถ้าเราอยากจะไปสูงกว่าเทวโลกคือไปสู่พรมโลกเราก็ต้องรักษาศีลแปดเช่นผู้ที่มาอยู่วัดมานุ่งขาวห่มขาวนี้ มาถือสิน8มาหาความสุขที่สูงกว่าความสุขของเทวโลกก็คือความสุขระดับพรหมโลกความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขของเทวโลกของมนุษยโลกก็คือความสุขของพรหมโลกการที่จะได้ความสุขของพรหมโลกนี้เราจําเป็นจะต้องสละความสุขของเทวโลกของมนุษยโลก ก็คือความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายทางความสุขทางรูปเสียงกลิ่นโลสผัภาพะผู้ที่ถือศีลแปะ ก, ก็จะต้องถือศีลพรหมจรรย์ก็คือจะไม่ร่วมหลับนอนกับผู้อื่นจะไม่หาความสุขจากการเสพการจะหาความสุขจากการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิทําใจให้สงบ เพราะความสงบของใจนี้เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขจากการเสพการ์เรก็จะไม่หาความสุขจากการรับประทานอาหารจะรับประทานาาเพื่อเลี้ยงดูร่างกายเท่านั้นจะไม่รับประทานมากจนเกินไปเี่นจะไม่รับประทานหลังจากเที่ยงวันไปแล้วร่างกายนี้ถ้าได้รับประทานอาหาร มือสองมือนี้ก็พอเพียงรับรองได้ว่าจะไม่ตายอย่างแน่นอนแต่จะเป็นประโยชน์กับจิตใจเพราะจะทำให้หนึ่งไม่เสียเวลากับการมารับประทานอาหารสองจะทำให้ไม่ง่วงเหงาเหาานอนเวลานั่งสมาธิจะไม่หลับแต่ถ้าไม่ถือศีลแปดไม่ละเว้นจากการรับประทานอาหาร หลังจากเที่ยงวันไปแล้วเวลานั่งสมาธินี้จะง่วงนอนเพราะรับประทานอาหารมากจนเกินไปโดยความต้องการของร่างกายยิงต้องถือศีลข้อที่หคือไม่คือละเว้นจากการไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วแล้วก็ละเว้นจากการหาความสุขจากเครื่องบรนเทิงต่ตางๆไม่ดูไม่ฟัง ไม่ดื่มไม่รับประทานขอหนมนมเนยเครื่องดื่มต่างๆไม่หาความสุขจากการแต่งกายด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์ที่สดสวยวิจิตรพิสดารไม่อาศัยไม่หาความสุขจากการแต่งหน้าทาปากใช้น้ำหอมน้ำมันต่างๆเพราะเป็นความสุขประดียบปดาวเป็นความสุขชั่วงเปล่า ซื้ความสุขที่จะได้จากการนั่งสมาธิทําใจให้สงบไม่ได้นี่คือการละเว้นความสุขทางตาหูจมูก น, นิ้วกางแล้วก็จะไม่หาความสุขจากการหลับนอนมากจนเกินไปหลับนอนเพื่อพักผ่อนร่างกายไม่ได้หลับนอนเพื่อความสุขทางใจวิธีที่จะหลับนอน เพื่อร่างกายก็ต้องนอนบนพื้นไม้พื้นแข็งๆไม่นอนบนฟูกหนานาเพราะถ้านอนบนฟูกหนานาเวลาร่างกายได้รับการพักผ่อนพอเพียงตื่นขึ้นมาแล้วจะไม่อยากจะลุกอยากจะนอนต่อก็จะนอนต่ออีกหลายชั่วโมงจะทำให้เสียเวลากับการที่จะมาสร้างความสงบ สร้างความสดทางใจสร้างควาัพย์ให้แก่ใจแต่ถ้าเรานอนลนพื้นไม้พื้นแข็งเวลาร่างกายพักผ่อนพอแล้วก็จะเดินขึ้นมาแล้วก็จะไม่อยากจะนอนนอนต่อเพราะไม่สบายก็จะลุกขึ้นมางัางสมาธิมาสวดมนไหว้พระมาจะมาเดินจกงกองมาเจริญสติ ถ้าทำอย่างนี้ใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้พอเข้าสู่ความสงบใจก็จะเป็นพรหมจะเข้าสู่สวรรค์ชั้นพรหมแต่สวรรค์ชั้นพรหมนี้ก็เป็นความเป็นสมบัติที่ไม่ทาวาเหมือนกับสวรรค์ชั้นเทพเหมือนกับชีวิตของมนุษย์คือมีเจริญก็มีเสื่อมได้ เวลาที่เราไปเกิดบนสวรรค์ชั้นพรมก็จะอยู่ได้ระยะหนึ่งหลังจากนั้นก็จะเสื่อมลงมาสู่สวรรค์ชั้นเทพแล้วก็จะเสื่อมลงมาสู่โลกมนุษย์ต่อไปเพราะว่าทรัพย์เหลนี้ยังเป็นทรัพย์ที่มีการเจริญมีการเสื่อมได้ถ้าอยากจะให้ไม่เสื่อมก็ต้องบำเพ็ญ ธรรมะปฏิบัติทรรมขั้นที่สีคือขั้นปัญญาและปัญญานี้จะทำให้เราสามารถรักษาทรัพย์ที่เราได้จากการทำทานจากการรักษาศีลจากการนั่งสมาธิให้คงอยู่กับเราไปได้ตลอดปัญญาคืออะไรก็คือความรู้ ตามความเป็นจริงนั่นเองรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่เทีย่ยมเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราถ้าเรารู้เราก็จะได้ไม่มีความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่มีความอยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอไม่มีความอยากความสงบที่เราได้จากการนั่งสมาธิ ก็จะหวนกลับคืนมาความสงบนี้ถูกทำลายเพราะความอยากแต่ถ้าเราทำลายความอยากได้เราก็จะสามารถรักษาความสงบนี้ได้ <c oughs> ความสงบนี้เป็นความสงบที่ถาวรที่ไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดไปเรียกว่าเป็นมรรคผลนิพพานเป็นอริยสัพพมีสี่ท่านด้วยกัน คือท่านโสดาบันขั้นสกิดาคามีท่านอนาคามีและท่านอาหารหันต์นี่คือทรัพย์ที่เราจะสามารถรักษาได้ตามลำดับตามกำลังของปัญญาพราโสดาบันนี้ก็จะรักษาได้ส่วนหนึ่งพระสกิดาคามีก็จะรักษาเพิ่มได้อีกส่วนหนึ่งพระอนาคามีก็จะเพิ่มอีกส่วนหนึ่ง ถ้าพระอาหารหันต์ก็จะสามารถรักษาได้ครบบริบูรณ์ทรัพย์ที่ไม่เสือ่อมจะอยู่กับใจไปตลอดเพราะใจเป็นสิ่งที่ไม่ตายและทรัพย์ที่ใจสร้างขึ้นจากการทำทานจากการรักษาศีลจากการนั่งสมาธิจากการเจริญปัญญาก็จะอยู่กับใจไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุด นี่คือทรัพย์ภายในที่พวกเราควรจะสร้างกันขึ้นมาเพราะเป็นทรัพย์ที่แท้จริงของเราที่จะติดตัวไปกับเราที่จะปกป้องดูแลรักษาเราให้เรามีแต่ความล่มเย็นเป็นสุขไม่ให้มีความทุกข์ไม่ให้มีความเดือดรอ้อนไม่ให้มีความวุ่นวายใจต่างๆอย่าไปหลงกับการหาทรัพย ภายนอกกัมากจนเกินไปทรัพย์ภายนอกนี้หาพอที่จะอยู่ได้ก็พอก็คือให้พอมีพอกินไม่เดือดร้อนให้ร่างกายมีปัจจัยสี่พอเพียงมีอาหารพอเพียงมีที่อยู่อาศัยมีเครื่องนุ่งหม่มมียารักษาโรคถ้าเรามีปัจจัยสีน่นี้ก็ถือว่า พอเพียงกับการอยู่ของร่างกายแล้วมีมากไปกว่านี้ไม่เป็นประโยชน์กับร่างกายแต่กับจะเป็นภาระเป็นโทษกับจิตใจเพราะจะทำให้จิตใจต้องมีความวิตกกังวลมีความห่วงใยมีความห่วงน่ามีความเสียดายเวลาที่สูญเสีย ทรัพย์ต่างๆไปเวลาตายจากไปก็จะไม่มีอะไรติดตัวไปถ้ามัวแต่มาให้ความสำคัญกับการสร้างทรัพย์ภายนอกกันก็จะไม่อยากจะสร้างทรัพย์ภายในอยากจะมีทรัพย์มากๆภายนอกก็ไม่อยากที่จะแบ่งทรัพย์ภายนอกมาสร้างทรัพย์ภายในเช่นการทำทาน จะไม่อยากรักษาศีลก็ ร, รู้ว่าการรักษาศีลนี้เป็นอุปสรรคต่อการหาทรัพย์ภายนอกนั่นเองผู้ที่อยากได้ทรัพย์ภายนอกแบบง่ายๆและรวดเร็วจะรักษาศีลไม่ได้เพราะจะต้องช่อโกองบ้างจะต้องรักทรัพย์บ้างจะต้องโกหกหลอกลวงบ้างเพื่อที่จะให้ได้ทรัพย์ของภายนอกมาดังนั้น ถ้าเราหลงอยู่กับการหาทรัพย์ภายนอกเราก็จะไม่มีทรัพภายในติดตัวเราไปเวลาตายไปถ้าเราทำบาป ท, ทำกรรมเราก็ต้องไปใช้เวรใช้กรรมลาบายถ้าเราไม่ได้ทำบาป ท, ทำกรรมแต่ถ้าเราไม่ทำบุญเราก็จะไม่มีทรัพภายในติดตัวไป กลัมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะไม่มีความร่ำรวยกว่าเดิมไม่มีความดีน่ากว่าเดิมก็จะมีแต่เท่าเดิมถ้ารักษาศีลได้ถ้ารักษาศีล ไ, ไม่ได้ก็ต้องไปใช้กรรมในอบายกลับมาเกิดใหม่ก็จะเร็วกว่าเดิมมีรูปน้าหน้าตาเร็วกว่าเดิมมีอายุขสั้นกว่าเดิม มีสุขภาพแย่กว่าเดิมมีอาการไม่ครบ32นี่เป็นผลที่เกิดจากการไม่รักษาศีลตายไ ป, ไปต้องไปเกิดในอบายก่อนกลับมาจากอบายก็ต้องกลับมาก่อนเป็นมนุษย์ที่อาภัพวาสนามนุษย์เราจะมีหลากหลายด้วยกันมนุษย์ที่มีวาสนาและมนุษย์ที่ไม่มีวาสนา มนุษย์ที่มีวาสนาก็คือผู้ที่มีความร่ำรวยมีรูปร่างหน้าตาสวยงามมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงมีอาการครบ32มีผิวพรรณของใสนี่เป็นอนิสงส์ที่เกิดจากการรักษาศีลเกิดจากการทําทานเวลากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเป็นมนุษย์ที่มีบุญมีวาสนา ส่วนมนุษย์ที่ไม่ทำทางไม่รักษาศีลเวลากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะกลับมาเกิดแบบอาภัพวาสนารูปร่างหน้าตาไม่สวยงามผิวพรรณไม่ผ่องใสยากจนทางทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองสุขภาพไม่แข็งแรงมีโรคภัย่ายเจ็บเบียดบีนอาการไม่ครบสามสิบสอง อันนี้เป็นความจริงที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้เห็นถ้าพวกเราปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเราก็จะเห็นอย่างนี้เช่นเดียวกันแต่ตอนนี้เราไม่เห็นสิ่งที่เราควรจะทําก็คือควรเชื่อคนที่เห็นเพราะเราเป็นเหมือนคนตาบอดคนตาบอดก็ต้องเชื่อคนตาดีคนตาดีบอกว่าอย่าไปทางนี้นะไปแล้วเดี๋ยวจะตกหุ่มตกบอ่อ ถ้าคุณตามบอกไม่เชื่อเดินไปก็จะต้องตกบ่อจริงๆแต่ถ้าเชื่อไม่ไปตามทางที่คนตาดีบอกให้ไปไม่ให้ไปก็จะไม่ตกบอก่อฉันใดถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าเราหมั่นสร้างรับภายในกันทำทานรักษาศีลนั่งสมาธิจเจริญปัญญากันเราก็จะไปดีไปสู่สุคติ ไปสู่การสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดไปสู่ความดับทุกอย่างถาวนถ้าเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเราก็จะไปไม่ดีไปเกิดนับาปกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเป็นมนุษย์ที่มีกาอาภัพวาสนาอันนี้ไม่มีใครที่จะมายับยั้งผลที่เกิดจากการกระทำของเราได้ มีการไม่กระทำเท่านั้นที่จะยับยั้งผลที่จะไม่ให้เกิดขึ้นได้ถ้าเราไม่ทำบาปเราก็ไม่ต้องไปเกิดอาบายถ้าเราทำบุญรักษาศีลได้เราก็จะไปเกิดในสมกตได้นี่คือกฎแห่งกรรมไม่มีใครมาเปลี่ยนแปลงได้ไม่มีใครมายับยั้งได้จ้าจะยับยั้งผลของกรรม ก็ต้องยับยั้งที่เหตุท่นั้นก็คือไม่ทำเหตุเช่นพระพุทธเจ้าไม่ทำทั้งบุญไม่ทำทั้งบาปจึงไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปจากนั้นถ้าเราอยากจะได้ทรัพย์ภายในอยากจะมีความสุขต่อไปหลังจากที่เราตายจากโลกนี้ไปแล้วเราก็ต้องหมันสร้างทรัพย์ภายในกันมันทาทานมันรักษาศีล มันนั่งสมาธิมันเจริญปัญญาแล้วเราจะเป็นเศรษฐีเวลาที่เราจากโลกนี้ไปจึงขอฝากเรื่องของการมาสร้างทรัพย์ภายในนี้ให้ท่านได้นำเอาไปพิจิพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขและความเจริญที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา